ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้นจะประนีตขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลำดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌานภาษาอังกฤษว่า a b s o r p t ช o n ชาญมีหลายขั้นมองดูง่ายๆว่ายิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นตัวกำหนดความเป็นชาญซึ่งเรียกว่าองค์ชาญก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นคำว่าชาญที่ใช้กันทั่วไปโดยปกติเมื่อไม่ระบุระดับ มากมายถึงรูปฌปานสี่ฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็นสองระดับใหญ่และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละสี่รวมเป็น8ดอย่างเรียกว่าฌาน8ดหรือสมาบัตร8คือกลุ่มที่หนึ่งรูปฌปานสี่ได้แก่ปฐมฌานฌานที่หนึ่ง มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคขตาทุติยชานชานที่สองมีองค์ประกอบ3คือปีติสุขเอกคตาตติยชาญชานที่สมีองค์ประกอบสองคือสุขเอกคขตา จตุทถาชาญชาญที่สมีองค์ประกอบสองคืออุเบขาเอกั ต, ตากลุ่มที่สองอรูปชาญสี่ได้แก่อากาศสานัญจายตนะชาญที่กำหนดอากาศคือช่องว่างอันอันนันวิญญาณัญจายตนะ ฌานที่กําหนดวิญญาณอันอันต์อากินจัญญาญตนะฌานที่กําหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆเนวะสัญญาณสัญญาญตนะฌานที่เลิกกาหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมเช่นที่อภิธรรมปิดกธรรมาสังคนีเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอัรธกถาดีกาเช่นที่วิสุทธิมคและอภิธรรมมัทสังคหะนิยมแบ่งรูปประชานเป็นห้าขั้นเรียกว่าฌานปัญจกะในแล้วเรียกฌานที่แบ่งสี่อย่างเดิมเป็นจตุกะั น, นทั้งนี้โดยซอยละเอียดออกไป จากรูปฌปานสีนั่นเองคือแทรกเพิ่มฌานที่สองเข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับธุติยะฌานเดิมเป็นธุติยะฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบสคือวิจารปิตสุเอกขตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารแล้วเลื่อนธุติยะฌานเดิม ออกไปเป็นตติยะชาญตติยะชานเดิมเป็นจตุทัตชาญจตุททตชาญเดิมเป็นปัญจมาชาญตามลำดับโดยในยานี้เมื่อได้ยินคำว่าชานห้าชาญปัญจกัยปัญจกัชาญปัญจมาชาญไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากชาญสีนี้เอง การเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสาเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมถะมนุษย์ปุตุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสาเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะล้วนๆย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุด เพียงในว่าสัญญาณาสัญญายตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสำเร็จครบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์สามารถเข้าถึงภาวะที่พระนี่สูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่เก้าคือสัญญาเวทายตะนิโรธซึ่งแปลว่าความดับแห่งสัญญาและเวทนาหรือเรียกอีกชื่อว่า นิโรสมาบัติเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริงแต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตรหนักว่าสมาธิมีความจาเป็นแค่ไหนเพียงใดในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุติอันเป็นจุดหมายของพุทธธรรม ขอบเขตความสำคัญของสมาธิอาสรุปดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นอยู่ที่นำมาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดดังที่ว่าทำจิตให้ควรแก่งานและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จําต้องเป็นขั้นที่จเจริญถึงที่สุด ลำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุดหากไม่ก้าวไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เป็นอันขาดสองฌานต่างๆทั้งแปดขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึง้งแต่นี่เมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้ว อย่างเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปป่าปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไหมสมในภาวะแห่งฌานที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกันแต่ความหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้น และถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดที่เกิดจากฌานนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกคือความหลุดพ้นขั้นโลกีเป็นกุปปะวิโมกความหลุดพ้นที่กาเริบหรือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้และเป็นวิคัมพนะวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ คือกิเลสระ ง, งับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้ายอมกลับงอกงามขึ้นได้ไหมวิคัมพนะวิมุตติมาในคำพีชั้นอัธกถามากแห่งเทียบกับที่เรียกในพระไตรปิฎกว่าวิคัมพนะนิโรธ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 ส่วนสมาธินั้นแม้จะจำเป็นเพื่อทำจิตให้เหมาะกับงานแต่อาจยืดหยุ่นเลือกใช้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เริ่มแต่ขั้ น, ต, นต้นที่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคณิกาสมาธิและอุปจาราสมาธิเป็นต้นไปโดยในยะนี้วิธีแห่งการเข้าถึงจุดหมายแห่งพุทธธรรมนั้นแม้จะมีสาระสาคัญว่า ต้องประกอบพร้อมด้วยองค์มรรคทั้ง8ข้อเหมือนกันแต่ก็อาจแยกได้โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิเหมือนเป็นสองวิธีคือ 1. วิธีของวิปัสสนาญาณิกผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณญาณในที่นี้สะกดด้วยหยาักนะครับเป็นคำว่าญาณที่แปลว่าเครื่องนำไปหรือพาหนะต่างๆ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 คือมีวิปัสสนาล้วนเป็นญาณความจริงสมถะก็มีด้วยแต่แค่จำเป็นโดยไม่เน้น 2. วิธีของสมถะญาณนิกผู้มีสมถะเป็นญาณญาณในที่นี้คือเครื่องนำไปหรือพาหณะนะครับเป็นวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสำคัญ คือบำเพ็ญสมาธิให้จิตใจสงบแน่วแน่จนเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าฌานหรือสมาบัติขั้นต่างๆเสียก่อนทำให้จิตดื่มดำแน่นแฟนอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้นๆจนมีความร้อมอยู่โดยตัวของมันเองที่จะใช้ปฏิบัติการต่างๆอย่างที่เรียกว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานน้มไปใช้ในกิจที่ประสงค์อย่างได้ผลดีที่สุด ในสภาพจิตเช่นนี้กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งตามปกติปุ้งขึ้นรบกวนและบีบคั้นบังคับจิตใจให้พล่านอยู่ก็ถูกควบคุมให้สงบนิ่งอยู่ในเขตจำกัดเหมือนผมทุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ำนิ่งและมองเห็นได้ชัดเพราะน้ำใสเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การที่จะก้าวต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญาจัดการกาจัดตะกอนเหล่านั้น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 Within. วิธีปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่าครบเต็มทั้งสมถะและวิปัสนาเมื่อแยกโดยบุคคลผู้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้ผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีแรกเรียกว่าปัญญาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาถ้าว่าอย่างเครงครัดเป็นสุขาวิปัสสก ซึ่งได้สมาธิถึงฌานต่อเมื่อถึงขณะแห่งมัคจัดเป็นสุดท้ายของปัญญาวิมุตต์ส่วนผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีที่สองเรียกว่าอุพโตภาคาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนทั้งด้วยสมาบัติและด้วยอริยมรรค ข้อที่ควรทราบเพิ่มเติมและเน้นไว้เกี่ยวกับวิธีที่สองคือวิธีที่ใช้สมถะเต็มรูปแล้วจึงเจริญวิปัสนาซึ่งได้ผลสำเร็จเป็นอุพัโตภาควิมุต t นั้นมีว่า 1. ผู้ปฏิบัติตามวิธีนี้ย่อมประสบผลได้พิเศษในระหว่างคือความสามารถชนิดต่างๆที่เกิดจากฌานสมาบัติด้วยโดยเฉพาะที่เรียกว่า อภิญญาซึ่งมีหอย่างคืออภิญญาข้อที่หนึ่งอิทธิวิธิแสดงฤทธ์ต่างๆได้อภิญญาข้อที่สองทิพสโสดอูทิอพอภิญญาข้อที่สามเจโตปริยาญาณกำหนดใจหรือความคิดผู้อื่นได้อภิญญาข้อที่สี่ทิพจกักขู หรือจุตูปปาตาญาณตาทิพหรือรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามกรรมอภิญญาข้อที่หอุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้อภิญญาข้อที่6อาสวะขยายญาณญาณอย่างรู้ความสิ้นอาสวะ ส่วนผู้ปฏิบัติตามวิถีแรกจะได้เพียงความสิ้นอาสวะอาจได้ผลสำเร็จพิเศษต่างๆที่จะเกิดจากฌานไม่ข้อคุรทราบเพิ่มเติมข้อที่สองผู้ปฏิบัติตามวิถีที่สองจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสองขั้นของกระบวนการปฏิบัติการปฏิบัติตามวิถีของสมถะอย่างเดียว แม้จะได้ฌานได้สมาบัติขั้นใดก็ตามถ้าไม่ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นวิปัสสนาหรือควบคู่ไปกับวิปัสสนาด้วยแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอันขาด